เจารวันพราท่านสาธุชนพุทธบรุษัตอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกๆท่านวันนี้เป็นวันอาทิตย์ที่11มีนาคมพุทธศักราช2550ตรงกับวัน8ค่ำวันแรม8ค่ำเดือน4เป็นวันพระ วันธรรมมัสวานณะวันฟังธรรมเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนผู้มีความเลื่อมใสศรัทธาในพระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้มาปฏิบัติกิจที่ได้รับมอบหมายไว้คือการชำระจิตใจชำระกายชำระวาจา ให้บริสุทธิ์ให้สะอาดเพื่อจะได้มีความร่มเย็นเป็นสุข <c oughs> เพื่อจะได้เจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงเพราะไม่มีความเจริญก้าวหน้าและความสุขอื่นใดที่จะเป็นความเจริญก้าวหน้าและเป็นความสุขอย่างแท้จริงนอกจากการชำระกายวาจาใจ ให้สะอาดให้บริสุทธิ์เท่านั้นการจะความเจริญอย่างอื่นความสุขอย่างอื่นเช่นเจริญด้วยลาบด้วยยศ ด, ด้วยสรรเสริญความสุขที่ได้จากการเสพสัมผัสรูปเสียงกลิ่นรสโผฏภะชนิดต่างๆไม่ได้เป็นความเจริญไม่ได้เป็นความสุขที่แท้จริง เพราะไม่ได้ให้ความอิ่มไม่ได้ให้ความพอมีแต่สร้างความหิวสร้างความกระหายสร้างความอยากสร้างความต้องการให้ไม่รู้จักจบจากสิ้นต่อให้ร่ำรวยมีเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านก็ยังไม่มีคาว่าพอต่อให้ได้ตำแหน่งสูงขนาดไหนก็ตามก็ยังไม่มีความว่าพอ ต่อให้มีใครสรรเสริญยกย่องเยินยอมากน้อยเพียงไรก็ตามก็ยังไม่มีความว่าพอต่อให้ได้เสพสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะชนิดต่างๆทั้งชนิดยาชั้งชนิดละเอียดก็ยังไม่ให้ความอิ่มความพอเช่นเดียวกันแต่ถ้าได้ชำระกายวาจาใจของตนให้สะอาดห้ยบริสุทธ ได้แล้วก็จะพบกับความพอจะพบกับความอิ่มจะพบกับความสุขที่เรียกว่าปรามังสุขขังดังที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตาสาวกทั้งหลายได้พบได้สัมผัสมาแล้วท่านจึงได้นำเอาสิ่งที่ท่านรู้ท่านเห็นที่ท่านได้สัมผัสนี้มาประกาศสั่งสอนให้กับสัตว์โลก อย่างพวกเราทั้งหลายผู้ที่ยังมืดบอดด้วยอำนาจแห่งอวิชชาความไม่รู้ด้วยอำนาจแห่งโมหะความหลงทำให้เราเห็นผิดเป็นชอบเห็นกกงจักเป็นดอกบัวเห็นการแสวงหาความสุขความเจริญทางลาบยศสรรเสริญทางกรรมาสุขว่าเป็นสิ่งที่เลิศสิ่งที่ประเสริฐแต่หารู้ไมมว่า เป็นการชุดลากให้เราไปสู่ความเสื่อมและสู่ความทุกข์ตามลำดับเพราะเมื่อเรามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะเจริญทางราบยศสารเสริญสุขเราก็จะไม่คำนึงถึงการปฏิบัติการประพฤติที่ถูกต้องที่ดีงามที่จะคุ้มครองรักษาไม่ให้เราตกไปสู่ที่ต่ำไม่ให้เราเสื่อม ไม่ให้เรากลายจากมนุษย์ไปเป็นเดราาัจฉานไปเป็นสัตว์นรกเพราะผู้ที่อยากจะได้อะไรมากๆเมื่อไม่สามารถหามาด้วยวิธีที่ถูกต้องวิธีที่สุดเจริจก็จะหามาด้วยวิธีที่ทุจริตคอร์รัปชันช่อโกงลักทรัพย์ประพฤติผิดประเวณีพูดปดมดเท็ ฆ่าทำร้ายชีวิตของผู้อื่นเพื่อจะได้มาในสิ่งที่ตนเองต้องการและเมื่อได้กระทำสิ่งเหล่านี้ไปแล้วเมื่อได้ทำผิดศีลผิดธรรมไปแล้วความเสื่อมความทุกข์ก็จะตามมาทันทีทั้งในปัจจุบันและในอนาคตในปัจจุบันจิตใจก็จะมีแต่ความรุ่มร้อนมีแต่ความหวาดกลัวมีแต่ความหวาดระแวง ตายไปก็จะต้องไปเกิดในอบายใดยอบายหนึ่งมีอยู่สี่คือเดรัจฉานเปรตอสุลกายและนรกนี่เป็นที่ไปของผู้ที่ทำผิดศีลผิดธรรมเพราะความหลงคิดว่าการสแสวงหาลาบยศสารเสริญสุขนัน้นเป็นเป้าหมายเป้าเดียวและ ทำได้ด้วยทุกวิถีทางนี่ไม่ใช่เป็นความจริงความจริงแล้วเราต้องแสวงหาความบริสุทธิ์ของกายวาจาใจเป็นเป้าหมายของชีวิตแต่เราก็ต้องทำมาหากินเพื่อมี <c oughs> ปัจจัยสี่คือมีอาหารมีที่อยู่อาศัยมียารักษาโรคมีเครื่องนุ่งหม่มเราก็ต้องหา แต่การหานั้นต้องหาให้อยู่ในกรอบของศีลธรรมคือจะไม่ละเมิดศีลหา้าไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่พูดปดมดเท็จและไม่เสพสรายาเมาการกระทาถ้าเราสามารถระงับหรือบังคับควบคุมไม่ให้ไปกระทาละเมิดศีลห้าได้เราก็จะรักษาความเป็นมนุษย์ของเราไว้ได้ เพราะศีลเป็นคุณสมบัติของมนุษย์นั่นเองการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ก็ต้องมีศีลเป็นผู้พามาเกิดดังในท้ายศีลที่ได้แสดงไว้ว่าซีเลนะสุกติยันติศีลเป็นเหตุที่จะพาไปสู่สุกติสุกติก็คือที่เกิดที่อยู่ของมนุษย์ของเทพของพรหม ของพระพุทธเจ้าของพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายนั่นเองอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงศีลเป็นผู้พาไป <c oughs> พวกเราเมื่อเรายังมีความจำเป็นที่จะต้องทำมาหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง <c oughs> ก็ขอให้เราให้หาอยู่ในกรอบของศีลธรรมอย่าไปละเมิดศีลดยเด็ดขาดเ <c oughs> พราะถ้าเราไปละเมิดแล้ว เราจะได้ไม่คุ้มเสียเราจะได้เงินทองมาจะได้ตำแหน่งมาจะได้คนสรรเสริญยกย่องมาจะได้รับความสุขจากการดูจากการฟังจากการลิ้มรสจากการดื่มจากการรับประทานก็ตามแต่มันจะไม่คุ้มค่ากับความเสียของของเราไปทางจิตใจคือจิตใจเราจะกลายจาก มนุษย์ไปเป็นเดรัจฉานบ้างเป็นเปรตบ้างเป็นอสุรกายบ้างหรือเป็นสัตว์นรกบ้างขึ้นอยู่กับบาปกรรมที่เราทําไว้ว่ามีความรุนแรงมากน้อยเพียงไรเช่นค่าสัตว์ตัดชีวิตนี้ก็มีทั้งหนักมีทั้งเบาถ้าข่ามดแมลงนี้ก็ไม่หนักเท่ากับฆ่ามนุษย์ <c oughs> ข่ามนุษย์ที่ไม่ใช่เป็นพ่อแม่ก็ไม่หนัก <c oughs> เท่ากับค่าพ่อฆ่าแม่เหมือนกับกฎหมายทางโลกเขาก็มีความหนักเบาโทษมีการมีโทษหนักเบาขึ้นอยู่กับโทษที่ขึ้นอยู่กับการกระทําที่เราทําไปชั้นใดการละเมิดผิดศีลผิดธรรมก็เป็นเช่นนั้นเช่นเดียวกันมีหนักมีเบาแต่ถ้าดีที่สุดแล้วก็อย่าไปละเมิดเลยดีกว่า ถึงแม้จะฆ่ามดฆ่าแมลงก็ยังต้องทําให้เราไปเกิดเป็นเดรัจฉานหรือไปเป็นเปรตเป็นผีได้อาจจะไม่ตกนรกแต่ก็ยังต้องไปเกิดในอบายอยู่เช่นเดียวกันอย่างน้อยที่สุดท่านสอนให้คิดไว้อย่างนี้ว่าไม่ว่าเราฆ่าอะไรเราก็จะต้องไปเกิดเป็นในสิ่งที่เราฆ่าเราก็จะถูกเขาฆ่าต่อไป เราฆ่ามดฆ่าแมลงต่อไปเราก็ต้องกลับไปเกิดเป็นมดมแมลงเพื่อให้เขาได้มาฆ่าเราเราฆ่านกฆ่าปลาตายไปเราก็ต้องกลับมาเกิดเป็นนกเป็นปลาให้เขาฆ่าเราเช่นเดียวกันนี่คือหลักของกรรมเป็นความจริงที่พระพุทธเจ้าและพระอนันตาสาวกทั้งหลายได้รู้ได้เห็นและทรงมี และเมื่อมีทรงมีความกรุณาคือความสงสารเห็นว่าพวกเรานั้นเป็นเหมือนคนตาบอดถ้าไม่มีคนนำทางไปก็จะต้องเดินไปตกหลุมตกบอ่อต้องเดินไปชนสิ่งนั้นสิ่งนี้ทำให้เกิดความทุกข์เกิดความเจ็บขึ้นมาคนตาบอดถ้ามีคนนำทางก็จะสามารถเดินไปไหนมาไหนได้อย่างปลอดภัย ฉันใดพวกเราก็ต้องมีพ่อธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นผู้นำทางเช่นเดียวกันเพราะพ่อธรรมคำสอนนั้นเป็นแสงสว่างภายในจิตในใจของเราทำให้เราเห็นผิดเป็นผิดเห็นถูกเป็นถูกเห็นโกงจักเป็นโกงจากเห็นดอกบัวเป็นดอกบัวแต่ถ้าเราไม่มีธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็จะเห็นกับตาลปัด ถ้าเรายังมีจิตใจคิดอยากจะร่ำรวยอยากจะมีตำแหน่งสูงๆอยากจะให้มีคนย่องย่องสรรเสริญเยือนยอยังอยากออกไปหาความสุขจากการเที่ยวดูนั่นฟังนี่กินน่น่นกินนี่อยู่ก็แสดงว่าเรายังตกอยู่ภายใต้อำนาจของความมืดบอดอยู่เราก็จะต้องไปประเชิญกับความทุกข์กับความวุ่นวายใจ กับความเสื่อมเสียที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนแต่ถ้าเราได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราพุ่งเป้ามาที่การชำระกายวาจาใจของเราหาความสุขหาความเจริญทางจิตใจของเราด้วยการชำระกายวาจาใจของเราให้บริสุทธิ์ถ้าเราทำสิ่งนี้ได้ เราจะดำเนินเดินไปสู่ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงไม่ช้าก็เร็วสักวันหนึ่งเราก็จะได้พบกับพระพุทธเจ้าพบกับพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายที่ได้ไปรอเราอยู่แล้วที่ข้างหน้านั้นเราสามารถเดินไปดำเนินไปไปสู่ที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันต ทั้งหลายได้ไปถึงได้ด้วยการบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติด้วยการชาระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์สิ่งที่จะชำระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ก็คือศีลและการภาวนานั่งสมาธิจเจริญปัญญาจเจริญวิปัสสนาการศีลเป็น เครื่องชำระความสะอาดของกายและวาจาเช่นวันนี้ท่านได้สมาทานศีลห้าก็เป็นการชำระกายวาจาในระดับหนึ่งสำหรับท่านที่อยู่วัดแล้วรักษาศีลแปก็เป็นการชำระกายวาจาให้สะอาดบอยสุทขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง และสำหรับท่านที่นุ่งเหลืองห่มเหลืองเช่นพระภิกษุสามเณรก็จะรักษาศีลสิบสำหรับสามเณรและรักษาศีล227ร้อสําข้อำหรับพระภิกษุก็เป็นการชำระกายวาจาให้สะอาดยิ่งยิ่งขึ้นไปนี่คือการชำระทางกายและวาจาต้องมีศีลในระดับต่างๆกัน บางท่านรักษาศีลห้าเป็นปกติอยู่แล้วทุกวันพอมาถึงวันพระก็จะเพิ่มศีลอีกสามข้อคือจะยกเว้นจากการหับนอนกับสามีหรือภรรยาคือจะนอนคนเดียวไม่ไม่แสวงหาความสุขจากการนอนหลับร่วมกับคู่ของตน เรียกว่าอบรามจริยาคือรักษาศีลพรหมจรรย์แล้วก็เพิ่มข้อที่6ได้แก่ละเว้นจากการรับประทานอาหารหลังจากเชี่ยงวันไปแล้วรับประทานอาหารเพียงเพื่ออยู่เท่านั้นถ้าเรารับประทานเพียงพอก็สามารถอยู่ได้ร่างกายไม่จําเป็นต้องการอาหาร มากถึงสามือรับประทานเพียงมือสองมือก็พอเพียงกับการดูแลรักษาร่างกายให้อยู่ได้อย่างปกติจึงไม่มีความจำเป็นที่จะต้องรับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วและก็รักษาศีลข้อที่ไม่แต่งหน้าทาปากไม่ใช้เครื่องสำอาง ไม่ใช้น้ำหอมต่างๆไม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีฉูดฉาดแต่งกายแบบเรียบเรียบง่ายๆแล้วก็นอนบนเตียงที่ไม่มีฟูกหนาะถ้านอนกับพื้นหรือนอนกับพื้นไม้ปูเสื่อได้ก็จะดีเพราะเป็นการฝึกไม่ให้แสวงหาความสุขจากการหลับ จากการนอนร่างกายถ้ามีความเหนื่อยต้องการพักผ่อนนอนบนพื้นไม้ก็นอนได้หลับได้เหมือนกันหลับได้สบายเหมือนกันและจะตื่นเร็วเพราะเมื่อได้รับการพักผ่อนเพียงพอแล้วร่างกายก็จะตื่นแล้วก็จะทำให้ไม่อยากจะนอนต่อแต่ถ้านอนบนฟูกหนาะนะ ร่างกายพอตื่นขึ้นมาแล้วแต่ใจยังอยากจะนอนต่อก็จะนอนเพิ่มขึ้นไปอีกทําให้เสียเวลาแทนที่จะเอาเวลาไปชําระไปปฏิบัติจิตใจก็จะไม่ได้ปฏิบัติกันก็จะชําระได้เพียงแต่กายและวาจาแต่การชําระนั้นต้องมีอีกขั้นหนึ่งที่เรียกว่าชําระใจ การชำระใจก็ต้องชำระด้วยการภาวนาคือสมถะภาวนานั่งสมาธิและวิปัสสนาภาวนาจเจริญปัญญาพิจารณาให้เห็นว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ล้วนเป็นไตรลักษณ์ทั้งสิ้นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงไม่มีตัวตนไม่ใช่ความสุข ไม่เป็นความสุขแต่เป็นความทุกข์นี่เป็นงานที่จะต้องทําในลําดับขั้นต่อไปหลังจากที่เรารักษาศีลแล้วเราก็จะต้องบําเพ็ญภาวนาต่อไปแต่ถ้าเรารักษาเพียงศีลห้าก็จะภาวนาไม่ค่อยสะดวกเพราะเราจะมาห่วงมากังวลกับเรื่องการรับประทานอาหารคือเราจะรอรับประทานถึงตอนเย็น จะอีกมื้อหนึ่งหรือดีไม่ดีก่อนนอนก็จะกินอีกมื้อหนึ่งถ้ายังมีความห่วงมีความกังวลอยู่กับการรับประทานเวลานั่งสมาธิก็จะนั่งไม่ได้นั่งได้เดียวเดียวก็จะรู้สึกอึดอัดใจอยากจะลุกไปหาอะไรมาดื่มหาอะไรมารับประทานแต่ถ้าถือศีลแปได้ตั้งใจไว้จะไม่รับประทานอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้ว พอพ้นเที่ยงไปแล้วก็หมดปัญหาเรื่องรับประทานอาหารก็เริ่มนั่งสมาธิได้เลยเวลานั่งสมาธิถึงแม้จะมีความอยากจะรับประทานอาหารแต่ก็รู้ว่ารับประทานไม่ได้แล้วเพราะได้ตั้งใจแล้วว่าวันนี้จะไม่กินอาหารหลังจากเที่ยงวันไปแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นความอึดอัดใจก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะรู้ว่าไม่มีทางที่จะได้กินอย่างแน่นอน ก็จะทำให้นั่งสมาธิต่อไปได้อย่างสบายการการปฏิบัติสมาธิก็จะค่อยๆเจริญแก้วหน้าไปตามลำดับเพราะมีศีลแปดเป็นเครื่องสนับสนุนนั่นเอง <c oughs> ดังนั้นการชำระกายวาจาและใจจึงจำเป็นจะต้องมีทั้งศีลแปดและการภาวนาคือการนั่งสมาธิเดินจงกรม จเจริญปัญญาอย่างต่อเนื่องเพราะว่าการชำระที่แท้จริงนั้นต้องชำระที่ใจเพราะสิ่งที่เป็นเครื่องเศร้าหมองนั้นอยู่ในใจไม่ได้อยู่ที่กายไม่ได้อยู่ที่วาจาเพียงแต่มันไหลออกมาจากใจไปสู่กายสู่วาจาเท่านั้นเครื่องเศร้าหมอง เือที่เราเรียกว่ากิเลสอยู่ในใจของเรามีความโลภความโกรธและความหลงเมื่อมันเกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาในใจแล้วมันก็จะระบายออกมาทางกายและทางวาจาเช่นโลภอยากจะกินนั่นกินนี่ก็ต้องสั่งร่างกายให้ไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้มารับประทานถ้าเกิด ไม่ได้รับประทานมีคนมาขัดขวางไม่ให้ได้รับประทานก็จะเกิดความโกรธขึ้นมาก็จะระบายความโกรธออกมาทางกายทางวาจาด้วยการพูดจาหยาบคายด่าว่าคนนั้นคนนี้แล้วก็ทุบข้าวของทําลายข้าวของนี่เป็นการ ไหลออกมาของกิเลสเครื่องเศร้าหมองที่จะต้องถูกกาจัดแต่จะกําจัดด้วยศีลไม่ได้เพียงแต่คอยป้องกันไว้ได้เท่านั้นคือเวลาโกรธแล้วอยากจะไปทําลายข้าวของอยากจะไปทุบตีผู้อื่นก็ต้องรู้ว่ากําลังจะทําผิดศีลก็จะไม่ทําแต่ความโกรธนั้นก็ยังมีอยู่ในใจอยู่ยังไม่ดับลงไป จะดับความโกรธได้ก็จะต้องใช้การภาวนานั่งทำจิตใจนั่งทำสมาธิทำจิตใจให้สงบเช่นสวดมนต์ไหว้พระไปเรื่อยๆเวลาเกิดความโกรธขึ้นมาแทนที่จะระบายออกไปทางกายทางวาจาก็หันเข้าไปหาที่สงบมุมใดมุมหนึ่งแล้วก็นั่งหลับตา นั่งขัดสมาธิตั้งตัวให้ตรงตั้งสติให้อยู่เฉพาะหน้าให้รู้อยู่กับคําบริกรรมพุทโธพุทโธพุทโธให้ระลึกแต่คําพุทโธพุทโธไปในใจอย่าส่งใจไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาให้อยู่กับพุทโธไปไเรื่อยๆไม่ช้าก็เร็วความโกรธนั้นก็จะหายจะดับไปหรือถ้าเราไม่สามารถ ควบคุมจิตใจให้ตั้งอยู่กับคำบริกรรมพุทโธพุทโธได้ก็ลองใช้วิธีสวดมนต์ไปก่อนก็ได้สวดมนต์บทใดบทหนึ่งที่เราจำได้สวดไปเรื่อยๆเช่นสวดนาโมตัสสะอระหังสัมมาสวาขาโตสุปฏิปันโนสวดไปกลับไปกลับมาสวดอยู่เรื่อยๆอย่าให้ใจไปคิดถึงเรื่องหรือคนที่ทำให้เราโกรธ ถ้าเราอยู่กับบทสวดมนต์ไปได้แล้วรับรองได้ไม่ช้าก็เร็วความโกรธนั้นก็จะเบาบางลงไปและหายไปใไนที่สุดเราก็จะมีความสงบความสบายใจก็เมื่อมีความสงบมีความสบายใจก็จะไม่มีความอยากที่จะไปทุบตีทำลายข้าวของทำลายคนนั้นทาร้ายคนนั้นคนนี้เพราะจิต มีความสงบเมื่อมีความสงบก็มีความสมุขนี่คือการระงับดับกิเลสเครื่องเส้นสมองด้วยอุบายแห่งสมาธิแต่การระงับดับกิเลสด้วยสมาธินี้ยังเป็นการระงับดับไม่ถาวรระงับดับได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวเท่านั้นต่อไปเวลา ไปทำอะไรเกิดมีใครพูดหรือใครทำอะไรไม่พอใจก็ยังจะเกิดความโกรธขึ้นมาได้อีกถ้าอยากจะชำระกําจัดความโกรธให้หมดไปอย่างถาวรก็ต้องเจริญวิปัสสนาภาวนาเป็นลำดับต่อไปคือเมื่อเราทำจิตใจของเราสงบได้แล้วขั้นต่อไปเราก็ต้องมาเจริญปัญญาวิปัสสนา ให้ทำความเข้าใจให้รู้ว่าไม่ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเราเราไม่สามารถไปอยากไปต้องการให้คนนั้นให้คน น, ค น, นี้ให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นไปหรือทำอะไรตามความอยากตามความต้องการของเราได้ถ้าเรารู้ว่าเราไม่สามารถไปบังคับไปหวังอะไรจากใครได้ เราก็จะไม่ไปบังคับจะไม่ไปหวังจะไม่ไปอยากเมื่อเราไม่ไปหวังไปบังคับไปอยากเราก็จะไม่เกิดความโกรธขึ้นมาเพราะความโกรธนั้นเกิดขึ้นจากความเสียใจเกิดจากความผิดหวังเกิดจากความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้อยากให้คนนั้นคนนี้ทำสิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับเราแต่เราแต่เขาไม่ได้ทำตามที่เราอยากได้ เราก็เกิดความโกรธขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไปบังคับเขาไม่ได้เราไปหวังไปอยากอะไรจากเขาไม่ได้เราก็ปล่อยวางเมื่อปล่อยวางแล้วเขาจะทําอะไรอย่างไรเราก็ไม่โกรธเขาอีกต่อไปนี่คือวิธีดับความโกรธด้วยอย่างถาวรด้วยปุบายแห่งวิปัสสนาคือปัญญา คือต้องพิจารณาให้เห็นว่าไม่มีอะไรอยู่ในการควบคุมบังคับของเราได้ไม่มีอะไรจะอยู่กับเราไปได้ตลอดไม่มีอะไรที่ไม่เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาไม่มีอะไรให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดสักวันหนึ่งความสุขที่เราได้จากคนนั้นหรือสิ่งนี้ก็จะกลายเป็นความทุกข์ขึ้นมา ถ้าเราสูญเสียสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบคนที่เรารักคนที่เราชอบไปเราก็จะต้องทุกข์เราจะต้องร้องผมร้องไห้เศร้าสศกเสียใจแต่ในขณะที่เราอยู่กับเขาเราก็มีความสุขแต่เมื่อเขาจากเราไปเราก็ต้องเศร้าโศกเสียใจดังนั้นเราจึงต้องสอนตัวเราเองอยู่เสมอเพื่อเราจะได้ไม่ไปหลงไปยึดไปอยากได้อะไร กาเรามีความสุขที่ดีกว่าสิ่งต่างๆเานี้อยู่ภายในใจของเราอยู่แล้วนั่นก็คือความสุขที่เกิดจากการชาระกายวาจาใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์ด้วยการบาเพ็ญด้วยการปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าคือสอนที่สอนให้เราทำบุญให้ทานสอนให้เรารักษาศีล สอนให้เราภาวนาสอนให้เราฟังเทศฟังธรรมถ้าเราบำเพ็ญตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนได้แล้วเรา ก, ก็เท่ากับเราได้ชำระกายวาจาใจของเราไปตามลำดับจากน้อยไปหามากเช่นในเบื้องต้นเราอาจจะทำบุญทำทานได้ในระดับหนึ่งแต่เมื่อเราเห็นผลจากการทำบุญทำทานว่า ทำให้จิตใจเรามีความสุขเราก็จะทำมากขึ้นเราเคยรักษาศีลห้าได้บางวันแต่ไม่ทุกวันแต่เมื่อเรารักษาแล้วเรารู้สึกว่ามีความสุขต่อไปเราก็จะรักษาทุกๆุกวันแล้วถ้าเรารักษาศีลแปดในวันพระได้เราก็อยากจะรักษาไปเรื่อยๆแล้วต่อไปเราก็อยากจะรักษาไปตลอด ก็จะทำให้เราอยากจะออกปฏิบัติธรรมอยู่วัดไปอยู่วัดไปบวชชีบ้างไปบวชพรามบ้างไปบวชเป็นพระบ้างเพราะเราจะเห็นคุณค่าของการชำระกายวาจาใจของเราว่าทำให้จิตใจของเราอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขไม่ทุกข์ไม่วุ่นวายไปกับเรื่องราวต่างๆเพราะเราเห็นด้วยปัญญาแล้วว่า สิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่ว่าจะเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นวัตถุเข้าของต่างๆไม่ได้ให้ความสุขกับเราอย่างแท้จริงแต่ให้ความทุกข์แถนมาด้วยมีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งนั้นๆมีสมบัติก็ต้องทุกข์กับสมบัติมีสามีก็ต้องทุกข์กับสามีมีภรรยาก็ต้องทุกข์กับภรรยามีบุตรมีธิดาก็ต้องทุกข์กับบุตรกับธิดา แต่เรามักจะมองไม่เห็นกันเพราะความหลงมันครอบงมจิตใจทำให้เราไม่เห็นสิ่งเหล่านี้แต่ถ้าเราได้มาวัดมาฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ เ, เราจะได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าดังที่ท่านทั้งหลายได้กำลังได้ยินกันในวันนี้ก็จะทาให้เราเกิดมีหูตาสวา่างให้เราเห็นทางสู่ความหลุดพ้นจากความทุกข์ เห็นทางสู่ความสุขที่แท้จริงว่าไม่ได้อยู่ที่การแสวงหาทรัพสมบัติเข้าของเงินทองการแสวงหาตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์การแสวงหาการสรรเสริญเยินยอหรือการแสวงหาความสุขทางกลางคือรูปเสียงกลิ่นนผลธระแต่อยู่ที่การชำระกายวาจาใจ ของเราให้สะอาดให้บริสุทธิ์เพราะเมื่อจิตใจกายวาจาสะอาดบริสุทธิ์จิตใจก็จะสงบร่มเย็นเป็นสุขนี่แหละคือความสุขที่แท้จริงที่จะอยู่กับเราไปตลอดแต้งแต่บัตต้ไปจนถึงอนันตการคือไม่มีที่สิ้นสุดแห่งการและเวลาเช่นเดียวกับจิตของพระพุทธเจ้าและพระอรหันตสาวก จะเป็นอย่างนี้กับพวกเราจึงขอให้ท่านจงมีความเชื่อมั่นในการเข้าวัดเพื่อมาชำระกายวาจาใจของท่านให้สะอาดให้บริสุทธิ์ให้ขอให้ดำเนินไปอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องจนกว่าชีวิตจะหาไม่แล้วรับรองได้ว่าการได้มาเกิดเป็นมนุษย์ได้มาเจอพระพุทธศาสนาจะไม่เป็นการเสียเปล่า จะเป็นการได้กำไรอย่างแท้จริงจะเป็นการได้ความสุขและความเจริญอย่างแท้จริงจึงขอฝากให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อประโยชน์สุขที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติไว้เพียงเท่านี้ ขอคุณพระศรีรัตนตรยจงปกป้องคุกคองรักษาให้ท่านมีแต่ความสุขกายสบายใจมีความเจริญด้วยอายุวันสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเธอ